ถ้ายังอยู่บนลัทธิอันนี้อยู่อย่าได้คิดเรื่องอริยสัจเลยคือถ้าเห็นโดยความเป็นโนคนอยู่นะหรือไงก็เห็นว่านี่คนนี้เป็นคนนั้นคนนั้นเห็นเป็นเห็นเป็นแบบนี้อยู่นะอย่าคิดเรื่องอริยสัจต่อไปอีกเลยเพราะไหไรเพราะคิดแล้วมันจะศูนย์ใช่ไหมก็คิดบอกว่าถ้าบรรลุอริยสัจก็เป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ศูนย์นะสิอันะก็จะเป็นแบบนั้น ทีนี้ถามว่าถ้าจะไม่ให้เห็นเป็นอย่างนั้นให้ทำยังไงเให้เห็นเป็นยังไงเพราะว่าไอเห็นเป็นชีวะเห็นเป็นอัตตาหรือเห็นเป็นสัตว์เนี่ยมันเห็นด้วยอำนาจของสกายะเห็ที่เรียกว่าโดยปกติก็คือตัวทิฏฐิทิฏฐิตัวนี้ปกตินี่แก้ด้วยอะไรทิฏฐิอีกศัพท์หนึ่งเรียอัตตสัญญา อัตตาสัญญานี้แก้ด้วยคณะวินิโพคะเนี่ยนะคณะวินิโพคะก็คือแยกแยกความเป็นกลุ่มเป็นก้อน่นนะแยกเช่นที่เราเรียกว่า เ, ออเนชีวอัตตาหรือสัตว์แล้วโวหารเรียกว่านายหรือนางก็ตามเนี่ยนะ แล้วก็ให้แยกอันนี้ก่อนให้แยกเป็นอะไรก็ตามแต่ถนัดนะแยกเป็นขันก็ได้เนี่ยนะหรือแยกเป็นอายตนะก็ได้แลวแยกเป็นธาตุเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะว่าจริงๆแล้วที่ที่เข้าไปอที่เราเรียกว่าชีวะอัตตาสัตว์ก็คือความประชุมแห่ง ขัน 5, ความประชุมแห่งอายตนะ12บความประชุมแห่งข้าเนี่ยนะก็มาแยกอันนี้ก่อนเนี่ยนะว่าจริงๆคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะถ้าพื้นฐานการแยกแยกอันนี้ไม่ดีการคิดธรรมะอื่นๆโดยเฉพาะธรรมะชั้นสูงเนี่ยนะมันจะเป็นมิจฉาทิฐิแบบพยยมกกัมกระเนี่ยนะว่า ผ่าอหารตาแล้วศูนย์เนี่ยนะพินาฏตายแล้วศูนย์ตายแล้วพินาฏเพราะเขาคิดแบบชีวะแบบอัดตาแบบเป็นสัตว์เนี่ยนะเสร็จแล้วต่อไปก็ให้มองเป็นอายตนะคือจกักษุเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็แยกสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นธาตุคือจักขคู่ธาตุหรือธาตุง่ายๆก็ธาตุหกก็ได้ธาตุหกซึ่งประกอบไปด้วย ปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุเนี่ย น, นะปฐวีธาตุยี่สโป12เตโชว4วายโยหอากาศก็ช่องต่างๆช่องหูช่องปากช่องฟันช่องตามร่างกายแนละช่องอยู่ในธาตุเหล่านี้แหละส่วนวิญญาณก็มาแบ่งเป็นกุศลอกุศลวิบาก กิริยานะกุศลก็แยกไปอีกอกุศลก็แยกไปแต่ว่ารวมๆก็คือวิญญาณอย่างเดียวกลุ่มวิญญาณถ้าพูดถึงวิญญาณและสิ่งที่ประกอบกับวิญญาณก็เท่ากับแสดงแล้วก็คิดสิ่งเหล่านี้โดวยว่าเออเนี่ยคือขันอายตนะและธาตุเพรานั้นแยกอันเนี้ยพื้นฐานโดยตรงก็คือละลัทธิที่สําคัญว่าเป็นชีวะอัตตาหรือสัตว์ ที่เหลือเป็นเพียงแต่โวหารเท่านั้นเนี่ยนะเป็นโวหารแต่ปุตตชนทั้งหลายผู้ผู้ไม่เคยรอบรู้เนี่ยนะจะสําคัญสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเป็นจริงเข้าอย่างยกตัวอย่างว่าลทัทธิพราหมลทัทธิพราหมลเนี่ยเมื่อเขาสําคัญโดยความเป็นอัตตาเนี่ยนะเขาจะคิดต่อไปว่าไอ้อัตตาของเขานี่เขาเป็นพรามนะเขาเป็นพราม เขาเป็นพรามอันนี้เขาเกิดจากโอทของพรหมคือเขาเกิดจากโอทของพระพรหมนะเขาออกจากปากมันเขาต้องสาธยายมนคือเขาอยู่บนพื้นฐานของรัฐที่อันนี้แล้วเขาถือว่าผู้เป็นใหญ่นี้สร้างเขาขึ้นนี่อีกพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งเข้าใจว่าเป็นชีวะชีวะแบบหนึ่งก็คือมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดตายและชีวิตอยู่แค่ อะไรคิดเท่าใช่ไหมเขาจะมองว่าที่เหลือคือมาจากพ่อแม่เท่านั้นเองเจริญด้วยอาหารตายแล้วก็อยู่แค่หมดจบที่เชิงตะกอนเหมือนกันเถอะเมื่อมีการเผากระดูกย่อยสลายก็จบกันอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานคือคิดแบบชีวะอัตตาหรือโดยความเป็นสัตว์เหมือนกันหมดฉะนั้นคำสอนจะจะไม่ได้ขึ้นลักษณะนี้ จะขึ้นที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่จริงๆอ่ะคือสิ่งเดียวกันปุตุชนทั้งหลายปกติเป็นผู้ที่แยกแยะอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ยุ่งที่สุดท่านบอกว่าเหมือนอะไรเหมือนกับหญ้าปล้องเห็นไหมหญ้าปล้องหญ้ามงกะต่ายหรื อ, อได้ของช่างหูกเนี่ยนะนะได้ของช่างหูกคือเป็นกลุ่มได้นะ เอาแบบไหมพรมนะใครที่ถักไหมพรมแล้วก็แต่ว่ามันเส้นละเอียดยิบเลยแล้วก็หนูมากัดแล้วก็อาบด้วยน้ำข้าวนะยอมน้ำข้าวไปอกีกแล้วมานั่งสางดูเหรอเนี่ยนะก็เหมือนกับไปอาบไมไมพรมเส้นละเอียดอันนะหนูกัดแล้วชุบกาวลาเทคเนี่ยนะแล้วก็ไปแยกดูเหนั่นแหละเขาบอกว่ายากมากชั้นใดก็ดีนี้เหมือนกัน ถึงถึงผู้ที่ทีธิติว่าเออนี่คือขันนะนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านี้ก็ไม่ได้พออะไรนะถามว่าทำไมจึงไม่พอเขาบอกไม่พอที่จะละกิเลสได้นอที่เหลือก็มาถึงถึงอะไรปัจจัยการพูดถึงปัจจัยเนี่ยคือการกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในการสามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปในการสามนะอันนะ ซึ่งประกอบไปด้วยเหตุและผล น, นะขันนั่นแหละเป็นเหตุขันนั่นแหละเป็นผลเนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นในโลกนี้ก็ไอ้คำว่าเหตุกับผลนั่นแหละอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าบุญและบาปผลบุญผลบาปเนี่ย น, นะก็คือขันและผลของขันเอกนั่นแหละ น, น, นะเมื่อเข้าใจแบบนี้เนะี่ยซึ่งสามารถแยกได้โดยการสามถามว่าพอไหมที่จะละกิเลสไม่พอ ถึงแยกว่ารู้ว่าขันเหล่านี้อยตนะเหล่านี้าธาตุเหล่านี้เกิดจากปัจจยัยแล้วไม่ได้สงสัยในการสามแล้วก็ไม่ได้มีลัทธิว่ามีผู้สร้างด้วยก็ยังไม่พอที่จะละเพราะอะไรเพราะก็ยังสาคัญว่านั่นเราเอานะนั่นของเราอีกอยู่ดีซึ่งอันนี้ไม่ใช่ทิฏฐิแล้วนะกลับเป็น มานะแทนแล้วก็ตัวตันหาแทน น, นนะเราก็ไม่ได้คิดว่าอาหารนี่มันมีสัตว์อยู่ในอาหารใช่ไหมแต่มันอร่อยนะทามือต่อไปได้อีกจะดีมากกว่างั้นแทน้นนะก็ก็ไม่ได้ไปสาคัญผิดด้วยอนาะจทิฏฐิแต่ว่ามันเป็นทิฏฐิวิปยุทธ์นนะแต่ว่าตันหามันก็เอาอีกอยู่ดีบอกมันมันมันของเรานะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผ่านมารูป ในอดีตก็ของเราไอ้รูปเช่นคำพูดไอ้คำนั้นเนี่ยเป็นของเรานะเราก็ไม่ได้คิดว่าในคำพูดมันมีชีวะอัตตาอะไรด้วยอานาจทิฏฐิอันะแต่ว่ามันเป็นคำของเรานะคำไหนเราพูดแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นอันนะยืนยันในอนะหลักการว่าทันต่อไปฉันก็จะพูดอย่างนี้อีกด้วยอานาจของมานะแทนจะไม่ใช่ทิฏฐิแล้วนนะ แล้วก็ตันหามันก็จะปรารถนาสรุปว่าก็ยังเพลิดเพลินในขันในอดีตมุ่งหวังขันต่อไปในอนาคตเนี่ยนะแล้วก็ขันในปัจจุบันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรยังใช้ได้อนนั้นะใช้ได้นะตาก็ยังใช้ได้หูก็พอฟังได้เนี่ยนะสุขภาพร่างกายก็พอลุกเดินเหินไหวเนี่ยนะ ก, ก็ใช้ได้นนะก็สรุปสํานวนท่านว่า อลัยอวบนในขันอดีตมุ่งหวังขันอันใหม่ขันปัจจุบันก็เพลิดเพลินยินดีเนะนี่คือผู้ที่ชุ่มด้วยฉันธราคะที่ที่อยู่ในวัตะยาวเนี่ยนะขันแบบนี้นะขันห้าประเภทเนี่ยอีกนานสำน ว, นวนว่ารถชนิดนี้เนะี่ยวิ่งอีกได้หลายหมื่นไมล์เนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าเมื่อแยกแยะโดยความเป็นขันอายตนะธาตุแล้วก็มา มาใคร่ครวญรู้ถึงเหตุรู้ทั้งปัจจัยเนี่ยไอ้รัฐที่ว่าเป็นสัตว์เป็นอัตตาเนี่ยมันมันแก้ตั้งแต่แยกเป็นขันอายตนาธาตุแล้วเนี่ยนะแยกได้แล้วทีนี้ก็จะเหลือแต่ในรูปอ่าคือในโลกของขันในโลกของอายตนะในโลกของธาตุสัพของพระพุทธเจ้าใช้คําว่าสังสาระเนี่ยนะสังสาระคําหนึ่งคือสิ่งเราเนี่ยมันไหลไป แสงสาระก็คือมันไหลไปดุดอะไรดุดกระแสน้ําเป็นต้นเนี่ยไหลไปแต่แสงสาระอันนี้มันเป็นลักษณะวัตตะอยู่นะเหมือนกันเถอะวัตตะก็คือมาแบ่งโดยความเป็นเหตุเป็นผลแล้วตัวที่เชื่อมเหตุเชื่อมผลเอาไว้เช่นว่าขันบางอย่างในฐานะเป็นผลขันอันนั้นมาจากเหตุน ะ, ะสมมุติว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารเกิดตอนแรกเรียกว่าชาติชาติอันนี้มีตัวที่ทำให้มันเกิดนะคือกรรมมันมีตัวเชื่อมเอาไว้นะให้ให้กรรมมันให้ผลมันมีตัวเชื่อมเอาไว้อันนั้นเรียกว่ากิเลสเนี่ยนะกิเลสเป็นตัวเชื่อมเหตุเชื่อมผลเชื่อมเหตุชเตชื่อมผลอย่างเงี้ยเอาไว้เชื่อมจากขันที่เรียกว่าโบหานว่ามนุษย์ ไปสู่ขันที่เป็นมนุษย์หรือไปสู่ขันที่เป็นเทวดาเป็นต้นเยหรือเป็นพรหมเป็นอะไรก็ตามตามสมควรแก่กรรมนั้นตัวตันหาตัวนั้นอะเป็นตัวเชื่อมเอาไว้ตัวกิเลสเป็นตัวเชื่อมเอาไว้ทีนี้รู้เห็นยังไงจึงจะสิ้นกิเลสนะรู้เห็นยังไงจึงจะละความสําคัญว่านั่นเรานั่นของเราอย่าลืมนะที่สุดว่าตัวที่ละตันหามานะได้ทิศ จริงๆนะโดยมักเนี่ยต้องอรหัตตะมักอันนี้ละโดยเด็ดขาดจริงๆนะจะต้องระดับอรหัตตะมักพระนาคามียท่านก็ยังยินดีขันแต่ว่ายินดีขันประเภทรูปฌานและอรูปฌานได้ไหมถ้าสกท า, าคาเมีพระโสดาบันนี่ก็ยังยินดีทุกขันเลยแต่ว่ารังเกียจขันที่เป็นอกุศล เนนะรัรังเกียจขันนี่เป็นอกุศลก็ก็จะละได้ในในตามสมควรอันพื้นฐานเมื่อแยกแยะโดยว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นขันขันเหล่านี้เป็นเหตุเป็นผลที่เรียกว่าวตะวัตตมีสารแมกกรรมวัต ว, วิตากวัตและกิเลสสวัตซึ่งเชื่อมโดยความเป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องกันไปเนี่ยนะทีนี้การที่จะพิจารณาแล้วจึงจะละสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือการตามเห็นทวนอีกครั้งหนึ่งเหตุเกิด เหตุเกิดของขันก็ได้ของอายตนะก็ได้หรือของาธาตุก็ได้เหตุเกิดก็มาเล่นตัวหลักๆที่ตัวที่ทำให้ขันเหล่านี้เกิดขึ้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างอาวิชชาตันหากรรมเฉพาะรูปประขันในภพนี้ก็อาหารอันนี้เหตุที่เป็นอดีตอย่างเดียวใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขาร ภาษะวิญญาณนามรูปเนี่ยนะอันนี้เหตุนี่คือความเกิดของขันเหล่านี้ถ้าขันเหล่านี้จะดับก็ต้องดับที่เหตุใชไ่ไอตัวที่ดับเราต้องการดับจริงๆไ ม, ไม่่ใช่เราต้องการแค่แค่หลับตาแล้วไม่เห็นเ่นะไม่ไม่ใช่ต้องการดับแค่จกคักรคูวิญญาณอันนี้ใช่ไห ไม่ใช่แค่ต้องการดับแค่จักคูวิญญาณนะสมมติถ้าไม่อยากเห็นเสาเนี่ยก็หันตาไปที่อื่นสะมันก็ไม่เห็นแล้วนะไอ้นนจักคูวิญญาณอันนั้นก็ดับแล้วนะหรือปิดไฟซะมันก็มองไม่เห็นแล้วอย่างนี้แต่ว่าตัวเราจริงๆเราไม่ต้องการดับแบบนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะท่านบอกว่าให้พิจารณาขันโรคาโตกับคันดโตโรคาโตคืออะไรแจ้ง้ตอนเป็นโรคคันดะโตดังฝี ถ้าเป็นพูดสมัยใหม่นะเอทกับมะเร็งนะโรคกาะฟีกับเอทมะเร็งอันไหนจะชัดกักนนะจริงก็คือสิ่งเดียวกันนะก็ตัวนี้คือตัวมะเร็งท่าบอกว่าถ้าเราบอกว่าต้องการดับไอ้มะเร็งอันนี้เราต้องการดับแค่แค่หายปวดเท่านั้นหรือต้องการหายจริงๆเลยแหละนั้นต้องดับอันนี้ทั่วในครั้งหนึ่งรู้เหตุเกิดรู้ความดับแล้วก็ทุที่น่าคิดมากเหมือนพระสูตรทั่วไปเขาบอกว่าความตั้งอยู่ ขันเหล่านี้มันตั้งอยู่ยังไงนะที่ที่เราอไม่ค่อยได้เอามามามาม า, มาพูดกันมากนะักคือการตั้งอยู่ของขันเหล่านี้มันตั้งอยู่ยังไงอะนะเมื่อวานเมื่อวานและอะไระนะแสดงว่าเมื่อวานไม่ได้หลับอะนะอันนี้จังสอง ทุกขงังสามอนัตตาอันนี้จังแปลว่าขยะเทนะสิ้นไปคือไม่มีขันใดขันหนึ่งเลยใช่ไมที่จะไม่สิ้นไปเนี่ยนะไม่มีแต่ทีนี้การสิ้นไปของขันเนี่ยก็ต้องอสิ้นไปโดยโดยลำดับตามสมควรนะถ้ารูปขันก็ตามสมุทฐานเป็นต้น ทบทวนอีกครั้งหนึ่งพูดถึงเหตุเกิดของขันซ้ําอีกครั้งหนึ่งคําว่าเหตุเกิดในที่นี้อย่างเช่นรูปขันเนี่ยที่มันค่อยๆเจริญเติบโตมาไอ้ที่ภาพเขียนนี้สมมติเอาเกปีเนี่ยนะมันค่อยๆเจริญขึ้นมาอย่างเงี้ยจนจน90ปีเนี่ยนะค่อยๆเจริญโดยลําดับมาแต่ในขณะเดียวกันถ้ามองในแง่ความเสื่อมมันก็ค่อยๆเสื่อมมาโดยลําดับตลอด90ปีอีกเหมือนกันใช่ไหม มองในแง่เกิดมันก็เกิดขึ้นมาเก้าสบปีมองในแง่เสื่อมมันก็เสื่อมมาตลอดเกสปีนี่นะเช่นอาหารใหม่เป็นเหตุเกิดใช่ไหมอาหารเก่านี่มันเสื่อมไปอย่างเงนะมันก็คือมันเกิดมันเสื่อมมันก็สืบเนื่องกันไปมองในแง่เกิดมันก็เกิดคือหาปัจจัยมาสะสมก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะทั้งหมดในร่างกายแล้วงแง่เสื่อมมันก็เสื่อมตั้งแต่อยู่ใน นั่งกันอยู่ในคันออกมาทุกวันมันก็เสื่อมอยู่ตลอดอยู่แล้วแม้แต่ผิวหนังเป็นต้นมันก็เสื่อมมาตลอดเนี่ยนะแล้วก็มาไข้ครวนว่าความเกิดของแต่ละสมุทฐานและความเสื่อมของแต่ละสมุทฐานทีนี้เมื่อรู้เหตุเกิดกับความเสื่อมอันนี้ในแง่ของอาหารนะหรือในแง่ของกรรมจิตอุตุอาหารชัดเจนนี่ก็มาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันดำรงอยู่ตลอดกี่ปีดี อนะยกเมื่อกี้เอา90นะหมายพุทธการร้อยหนึ่งพุทธการตอนที่ไปเลี้ยงอาหารคนชรานี่มีเยอะไหม90นี่ไม่ค่อยเยอะนะโดยมากเท่าไหร่70 77นะของเราก็สอบผ่านอย่างหลายคนนะก็ดำรงอยู่โดยความสิ้นไปอ่ะนะคืออนิจจังคือสิ้นไปเนี่ยนะคือมันมีแล้วก็ ไม่มีทีนี้ถ้าเรามามาเกิดการทำํำรูปสัตยกะเนี่จะเห็นชัดเนี่ย น, นะคือทํารูปสัตยกะพิจารณารูปเช่นวโยโวยะวุถังขมะ น, นี่คือความเสื่อมตามตามวัยเนี่ยนะจะเห็นชัดขึ้นว่าไอความความที่มันอนิจจังคือขยัตเถนะมันเสื่อมไปตามวัยแต่ละวัยแต่ละวัยก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะใช่ไหมสมมติถา ท่า น, นิจจะสัญญามันเกิดนะบอกว่าคนที่ตอนอายุยี่สิบกับคนที่ตอนอายุหกสิบเป็นคนเดียวกันถ้าสิ่งเดียวกันจริงๆนะพอครบหกิไปสมัครงานใหม่ได้เลยไหมไปรับรสมมุตินะเข้ารับราชการตอนอายุยี่สิบแล้วเกษียณหกสิบเนี่ยนะแล้วก็เดินไปตามรอยเดิมไปสมัครเข้าใหม่เขาเอาไหมเขาไม่เอาแล้วเนาะเพราะว่าถือว่ามันสิ้นไปตามวัยเสื่อมไปตามวัยมันหมดไปตามวัยละทีนี้เมื่อมันหมดนะ ไอสิ่งที่หมดนั้นแหละเรียกว่าทุกข์เพราะว่าพย ะ, ะภัยตัวนี้เนี่ยรวมทั้งโรคฝีแล้วก็ปัญหาสารพัด ท, ที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่อาศัยขันอันนี้เนี่ยนะปัญหาของการ ส, สางรูปประขันนี่ก็ น, นะลองไล่ดูแต่ละอย่างนะปัญหาในการบริหารตาเนี่ยนะ ปัญหาในการบริหารหูปัญหาในบริการเส้นผมเนี่ยนะรักษาผมปัญหาในการรักษาขนคิ้วขนเนี่ยหนวดเคราปัญหาในการรักษาผิวเนี่ยนะปัญหาในการรักษาฟันเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดเป็นทุกหมดเลยถือว่าเป็นภัยใหญ่เนี่ยนะเป็นภัยที่เห็นทีนี้ถ้าเป็นอนัตตาแหละก็ไอสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นทุกและเป็นอนัตตาท่านใช้คําว่าอสสาระ ขันทั้งห้าผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาเห็นว่ามันดำรงอยู่โดยความเป็นอ น, นิจจังเพราะสิ้นไปเป็นทุก ข, ขังเพราะมันน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะการตามเห็นแบบนี้จะละความสําคัญอันนี้ได้ละความสําคัญว่านั่นเราเป็นนั่นน่ะนั่นคือเราอย่างหนึ่งแล้วก็ละความสําคัญว่านั่นเป็นของเราเนี่ยนะอันนี้จะเป็นตัวปฏิปัติ ซึ่งตรงๆก็คือการทำตีระปริญญานั่นเองนะทีนี้การทำตีระปริญญาเนี่ยก็ละได้เป็นบางส่วนแต่ยังไม่ได้รู้จักโทษภัยของสิ่งเหล่านี้เป็นแท้มันก็ทำปริญญาชั้นสูงอีกเพื่อที่จะได้เห็นโทษภัยจนกว่าจะละเยื่อใยในในขันห้าได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะทีะนี้ก็ย้อนกลับมาหาตามเดิมว่า ที่กล่าวตีแรกว่าผู้ที่สําคัญโดยความเป็นสัตว์เป็นอัตตาเป็นชีวะหรือเป็นนายเป็นนางเป็นต้นไม่ควรคิดต่อในเรื่องของอริยสัจเนี่ยก็ต้องเออเอาเอาวัตถุที่เป็นนายเป็นนางเป็นอัตตาเป็นชีวะมาแยกก่อนพอแยกชับัวสาวไปหา ปัจจัยเนี่ยนะก็พิจารณาใคร่ครวรโดยรอบอย่างที่กล่าวไปนนะเพราะฉะนั้นคงแยกออกนะระหว่างในสายคำสอนกับในสายทิฏฐิทั่วทั่วไปถ้าแยกอันนี้ได้ก็จะได้มาดูสูตรต่อไปอีกอ่งนคือนะถ้าแยกออกก็หมายความว่าในในภาษา <c oughs> พระไตปิฎกก็บอกว่าได้รู้ได้เห็น ตามความเป็นจริงจริงเนี่ยโดยสัพมันกว้าง สูตที่คนที่ไม่รู้หลักการคำสอนของตัวเองเลยก็ไม่รู้ศาสนาอื่นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแก้ปัญหาแบบมั่วนิ่มเหมือนกันยังสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะกูตาคารสาร คือเดรัทธีพวกนี้นะเขาต้องการมาหาขา่าวจริงๆนะเขาต้องการมาสอบสวนดูว่าทางโน้นเขามีลัทธิอะไรขึ้นมันก็เลยตั้งปัญหาผูกเพื่อที่จะสร้างประเด็นในการสนทนาว่าดูก่อนท่านอนุราธะนะมาถึงก็ชมก่อนเลยว่าพระตถ า, าคตเนี่ยเป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษทรงบรรลุธรรมะที่ควรบรรลุชั้นเยี่ยมนะคือชมก่อน แต่แต่เป็นการชมแบบมีเล่ต์เล่ต์ในหรือชมแบบมีเล่เหลี่ยมเนี่ยนะเสร็จแล้วก็เสนอรัฐที่ไปว่าเมื่อจะทรงบัญญัติย่อมบัญญัติฐานะสีนี้คือสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกอันนี้ข้อแรกก่อนนะสัตว์ที่เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเกิดอีกซึ่งอยู่บนพื้นฐานว่าสัตว์ก่อนใช่ไหมแล้วต่อด้วยอุจสัตสตะทิทอินนะก็สองไม่เกิดอีก ยืนอยู่บนหลักการว่าสัตว์เหมือนดำแต่ว่าเป็นอุเฉดย่อมเกิดอีกก็มีย่อมไม่เกิดอีกก็มีไอ้พวกนี้เป็นพวกเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็อีกหนึ่งลทัทธินะเสร็จแล้วก็เกิดอีกก็หาม่ได้ไม่เกิดอีกก็หาม่ไดนนะ้ก็แบ่งเป็นสสีล่ลัทธิ เกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีนะมีมมีชื่อเป็นภาษาบาลีอยู่เหมือนกันแต่ว่าทั้งสี่ประการนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเออขอไปเป็นพวกเอกัตจสะสมตะทิฏฐิใช่ข้อแรกนะตายแล้วเกิดอีกคือสะสมตะตายแล้วไม่เกิดอีกเป็นอุเฉตตายแล้วเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีอันนี้เป็นเอกัตจสะสมตะคือบางอย่างเกิดบางอย่างไม่เกิดส่วนเป็นกลุ่มเกิดอีกหาไม่ได้ไม่เกิดอีกหาไม่ได้พวกนี้อมราวิเคปะ พนี้ปะไล่อนนสรุปก็คือมิจฉาทิฐิสี่กลุ่มคือศาสตะทิฏฐิอุเฉทิฏฐิเอกจสัตตะทิฏฐิและก็อมราวิเขปะเนี่ยนะก็4ประการพวกนั้นเขาก็ทีแรกก็ทําเป็นมาชมดีนะเสร็จแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าถ้าจะสอนสอนอย่างนี้นะสรุปว่าสอนทิฏฐิหกสิบสองกัทั้งสประการนั้นคือทิฏฐิหกนั่นเองเมื่อปริพาชก กล่าวอย่างนั้นแล้วท่านพระอนุราธาได้กล่าวกับอัญญเดรยรธีปริภาชกเหล่านั้น น, นะะท่านุราธาก็รู้อยู่แล้วว่าพวกนี้นี่ทิฐิแบบนี้ไม่ใช่ตามคําสอนแน่เพราะฉะนั้นค้านไว้ก่อนอ น, นะสํานวนว่ามาดูคนค้านแบบไม่รู้เขารู้เราเลยนะค้านแบบขอให้มันได้ค้านไว้ก่อนใช้ได้ท่านก็บอกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพระตถาคตทรงเป็นอุดมบุรุษทรงเป็นบรมบุรุษทรงบรงบรลุธรรมที่ควรบรบรลุชั้นเยี่ยม เมื่อจะทรงบัญญัติย่อมบัญยัตนอกจากฐานะสี่เหล่านี้คือสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกหนึ่งนะย่อมไม่เกิดอีกหนึ่งย่อมเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีย่อมเกิดอีกก็หามิได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หามิได้สรุปว่าบอกว่าถ้าจะบัญยัตินะบัญญัติสัตว์แต่ว่าบัญยัตนอกจากนี้แต่ว่ารัที่สัตว์เหมือนกันรัที่อัตตาเหมือนกันเนี่ยนะพระองค์นี้ท่านก็ก็อยู่แบบคือมีความเข้าใจในเรื่องอัตตาแต่ว่า แต่เป็นอัตราที่ไม่ใช่แนวเดียวกันกับเดรธีเนี่ยมั้งเพราะฉะนั้นเมื่อท่านอนุราธากล่าวอย่างนี้แล้วอัญญะเดรธีปริพาชกเหล่านั้นก็ได้กล่าวกับท่านท่านอนุราธาว่าภิกษุนี้จะเป็นภิกษุใหม่บวชแล้วไม่นานเนี่ยนะหรือไม่ก็เป็นท่านภิกษุเทระแต่ว่าโง่เขลาไม่ฉลาดเนี่ยนะบวชใหม่ถ้าไม่บวชใหม่ก็โง่งไงไๆเลยอย่างนี้เพราะว่าไม่รู้เรื่องเลยมัย้งนั่นเด้ ทั้งนั้นพวกอัญญาเดรธีปริภาชกกล่าวลุกรามท่านพระอนุราธ่ด้วยวาทะว่าเป็นพิสูุใหม่และเป็นพิสูจโง่เขลาแล้วก็พากันลุกจากอาสนะหลีกไปนะพอปริภาชกหลีกไปไม่นานท่านก็มาคิดขึ้นคิดทบทวนในคําถามของเดรของคำที่เดรธีมากล่าวแล้วก็ที่ตัวเองได้ตอบไปท่านท่านก็เลยคิดต่อไปอีกว่า และชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามเออเข้าไปถ้าอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นพึงถามเราต่อไปเมื่อเราจะพยากรเนี่ยพยากรณ์อย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ไม่กล่าวตามอัญญะเดรธีปริภาชคนั้นกล่าวแล้วเออถ้าเราจะไปแก้เขาทนะ่านมันจะแก้อย่างไงใช่ไหมและชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วและไม่พึงกล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคําอันไม่จริงและพึงพยากรธรรมะสมควรแก่ธรรมะ ทั้งสหธรรมมิตรไร่ผู้กล่าวคล้อยตามวาทะจะไม่พึงถูกวินยูชนเนี่ยติดเตียนได้นนะสรุปก็คนตอบก็ไม่รู้เลยแต่ก็ดีหนึ่งว่าอยากจะพูดตามอย่างที่พระพุทธเจ้าพูด น, นะว่าพระองค์ถ้าพระองค์จะตรัดนี่พระองค์จะตรัดยังไงพระองค์จะแก้ยังไงนนะสรุปแล้วเป็นยังไงว่าสาัตว์เบื้องหน้าตายแล้วเกิดอีกหรือว่าไม่เกิดอีกหรือเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีเกิดอีกหาไม่ได้หรือไม่เกิดอีกหาไม่ได้ วันหลังถาคุณธพาต้องตอบอย่างไงว่าตัญหานั้นพระพุทธเจ้าไม่ตอบว่างั้นเถอะเนี่ยนะเป็นอัพยกตะปัญหาว่างั้นเป็นปัญหาที่ตอบไม่ได้ไม่ควรตอบพ่างั้น <c oughs> ทีนี้เพระอนุราทะก็ไปเล่าถวายพระพุทธเจ้าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยนะทบทวนเรื่องให้ฟังทั้งหมดเลยพระผู้มีพระภาคก็ตรัสถามว่าดูก่อนอนุราทะเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชนัยรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง จริงๆแล้วผ่านรูปอนุราธารูปนี้ท่านก็เข้าใจลัทธิว่าเป็นสัตว์เหมือนกันเนี่ยนะแต่ไอ้ปกติคำว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะบัญญัติคำว่าสัตว์พ้นจากรูปได้ไหมพ้นจากเวทนาพ้นจากสัญญาพ้นจากสังขารพ้นจากวิญญาณได้ไหมก็พ้นขันห้าไม่ได้แต่ว่าไอ้คำว่าสัตว์นี่เป็นเป็นลัทธิเป็นที่เป็ น, ป น, ปนตัวที่เข้าไปเข้าใจผิดเองเท่านนั้เพราะฉะนั้นพระ อ, องค์ก็ ส อ, สอบสอบถามที่รากเง่าไปเลยคือพระองค์นี้ก็คิดอยู่แล้วว่าภิกษุเนี่ยไม่รู้จักโทษในรัฐที่ของตนเนี่ยนะก็ตัวเองก็เป็นมิจฉาทิฐิก็ไม่ได้รู้อะไรว่างั้นแต่ก็เธอเป็นผู้มีปุประโยฆะพระรูปนี้มีบุญเก่าพอจะบรรลุธรรมได้เนี่ยนะแต่ตอนนั้นก็ยังเข้าใจผิดว่างั้นเถอมีทิฏฐิก็คือเข้าใจผิดแต่เป็นผู้มีอัธยาศัยพอจะตรัสรู้ธรรมได้คือมีบุญเก่าว่างั้น คงก็เลยแก่ว่าจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไยรูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์ประเจาค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเนี่ยนะ